ติดจัสุบาถึงหน้าไหนเนาะเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าเก้าอันนี้เคยบอกให้ฟังอยู่เรื่อยๆ เ, เหมือนกันนะเป็นเรื่องของการที่คนถามพระพุทธเจ้าว่า <c oughs> ใครเป็นคนสัมผัสใครเป็นคนรู้สึกนะใครเป็นคนอยากใครเป็นคนยึดนะซึ่งพระตถ า, าคตจะบอกว่าไม่มีทั้งหมดเลยนะเป็นธรรมะชั้นลึกที่ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติกระแสธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้น นี่คือที่สุดของการมองต้องเห็นอย่างนี้นะถ้าไม่เห็นอย่างนี้นี่หลุดพ้นไม่ได้ตรัตแกพระโมริยผัดคุณะในที่ประชุมสงฆ์ที่เชตวันภิกษุโมริยผัดคุณะได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าย่อมกลืนกินซึ่งวิญญาณอาหารพระเจ้าข้าพระองค์ตอบว่า นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมกลืนกินดังนี้ <c oughs> ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมกลืนกินดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่าก็ใครเล่าย่อมกลืนกินพระเจ้าค่าดังนี้ก็เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้น ถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวิญญาณอาหารย่อมมีเพื่ออะไรเล่าหนอดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาคำเฉลยที่ควรเฉลยในข้อนั้นย่อมมีว่าวิญญาณอาหารย่อมมีเพื่อความเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปเมื่อผูตะ แปลว่าความเป็นพบนั้นมีอยู่สลายยตนะย่อมมีเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะดังนี้แลาจะถาคตให้เข้าไปดูที่เหตุของการเกิดขึ้นตรงนั้นเขาถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าย่อมสัมผัสพระเจ้าข้าพระองค์ ตอบว่านั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมสัมผัสดังนี้เห็นหเวลาเรามีสัมผัสอะไรเราก็จะบอกเราสัมผัสโน่นเราเห็นนั่นเราได้ยินนี่มีเราหมดเลยแต่พระเจ้าบอกไม่มีเรานะสวนความเห็นกันพอสมควรถ้าเราคือพัตถาคตเนี่ยได้กล่าวว่าบุคคลย่อมสัมผัสดังนี้นั่นแหละ จึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่าก็ใครเล่าย่อมสัมผัสพระเจ้าข้าดังนี้ก็เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้มิได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าผัสสะมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยพระเจ้าข้าปัจจัยแปลว่าเหตุก็คือผัสสะมีเพราะอะไรเป็นเหตุพระเจ้าข้าดังนี้แล้วนั่นแหละ จึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาคำเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่าเพราะมีสลายาติเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาดังนี้เพราะฉะนั้นที่ถูกต้องถามว่าผัสสะมีเพราะอะไร <c oughs> อะไรเป็นเหตุ นั่นก็คือต้องมีสลายนะคือมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ธรรมลมผัสสะนะเกิดจากอายัตนะภายในและภายนอกกระทบกันจึงเกิดมีผัสสะขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าใครเป็นคนผัสสะใครเป็นคนสัมผัสผู้เจ้าบอกถามผิดนะต้องถามว่าผัสสะเกิดเพราะอะไรและคําตอบที่ถูกต้องก็คือเพราะมีสลายนะคือมีตาหูมีรูปเสียงกลิ่นรสนี่ จึงมีผัสสะอย่างนี้และมีผัสสะเป็นเหตุจึงมีอะไรเวทนาคือสุขทุกขเบทขาคือความรู้สึกต่ออารมณ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ใครเล่าย่อมรู้สึกต่ออารมณ์พระเจ้าข้าก็คือก็ใครเล่าย่อมมีเวทนานั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมรู้สึกต่ออารมณ์ดังนี้ ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมรู้สึกต่ออารมณ์ดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่าก็ใครเล่าย่อมรู้สึกต่ออารมณ์พระเจ้าขดังนี้ก็เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นถ้าผู้ใดจะพึงถามเราพูนไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าเพราะมีอะไรเป็นเหตุจึงมีเวทนาพระเจ้าข้าดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหา คำเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่าเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาดังนี้คำถามที่ถูกต้องถามว่ามีอะไรเป็นเหตุจึงมีเวทนาและคำตอบที่ถูกก็คือเพราะมีผัสสะเป็นเหตุจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นเหตุจึงมีตัณหาคือความอยาก แล้วเขาก็ถามต่อในลักษณะเดียวกันว่าใครเล่าย่อมอยากรัตถาคตก็ตัดตอบเหมือนเดิมนะโดยให้ถามว่าความอยากเกิดจากอะไรนะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือเพราะมีเวทนาเป็นเหตุจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นเหตุจึงมีอุปทานความยึดเขาก็ถามอีกว่าแล้วใครเป็นคนยึดพระเจ้าก็บอกคนยึดไม่มีนะคถามที่ถูกต้องต้องถามว่าความยึดเกิดจากอะไร ก็บอกว่าเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานผู้เจ้าให้มองทุกสิ่งเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติไม่มีสัตว์บุคคลเลยนะเพราะฉะนั้นที่ผู้เจ้าบัญญัติว่ากรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลกรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลกรรมไม่ได้เกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นกรรมไม่ได้เกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุก็จะสอนรับกันหมดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีบุคคลผู้สัมผัสนะ ไม่มีสัตว์บุคคลในทุกขั้นตอนกรรมจึงเป็นเพียงกระแสของปฏิจจสมุปบาทที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนะกรรมจึงไม่มีใครเป็นผู้ทากรรมไม่มีใครเป็นผู้รับกรรมถ้าเรามองได้ขนาดนี้ก็มีไม่มีใครทากรรมไม่มีใครรับกรรมเราก็พ้นจากกรรมได้ทอนอุปทานออกจากขันหเข้าสู่วิมุตในวิมุตวิมุตไม่มีขันห้าไม่มีระบบของกรรม นี่คือวิธีมองมองสัตว์บุคคลตัวตนเพราะฉะนั้นอย่างกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลพรมบันดาลผีสางนางไม้เทวดาบันดาลไม่มีเพราะตัวตนเขาเรานั้นเนี่ยไม่มีขนาดตัวตนเราก็ยังไม่มีเลยนะตัวตนผู้อื่นจะมีได้อย่างไรเพราะฉะนั้นใครเป็นคนบันดาลอะไรผู้เจ้าจึงบอกไม่มีทุกอย่างเป็นกระแสของธรรมชาติที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นนะน้ำไหลจ า, ยยากที่สูงก็ลงที่ต่ํา กระทบหินทางซ้ายมันก็เลี้ยวไปทางขวากระทบหินทางขวาก็เลี้ยวไปทางซ้ายเป็นไปตามเหตุปัจจัยทุกอย่างเป็นเหตุปัจจัยหมดเลยเป็นระบบของธรรมชาติที่ไม่ใช่ชีวิตแต่เราไปยึดถือเองว่าเป็นชีวิตจึงมีใครตายมีอะไรตาย น, นั่นนี่คือวิธีออกจากกรรมออกจากระบบของสังสารวาัตต้องมองอย่างนี้ น, นนี้ก็จะเป็นธรรมะที่ค่อนข้าง ลึกซึ้งหน่อย <c oughs> ต้องเอาไปไข้ ค, ควรพิจารณามากๆพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนผัดคุณนะเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งผัดสายยตนะนะทั้ง6นั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งผัดสายอายตนะนะผัดสายยตนะนะอายตนะที่เป็นเหตุให้มีผัดสาทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ และรูปเสียงกินรถผลิตัณฑธรรมลมจึงมีความดับแห่งภาษะเพราะมีความดับแห่งภาษะจึงมีความดับแผงเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแผงอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหลชลามรณะโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุบายาศาสทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้อีกพระสูตรหนึ่งที่ ตอบโจทย์ได้หลายๆอย่างนะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงออกจากสมาธินั้นโดยการอันล่วงไปแห่งวันทั้งเจนะ็ดนั่งสมาธิอยู่เจ็ดวันทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุแล้วได้ทรงเห็นหมูสัตว์ผู้เดือดร้อนอยู่ด้วยความเดือดร้อนมีประการต่างๆ และเร่าร้อนอยู่ด้วยความเร่าร้อนมีประการต่างๆอันเกิดจากราคาบ้างอันเกิดจากโทสะบ้างอันเกิดจากโมหะบ้างครั้นทรงรู้สึกข้อความนี้แล้วได้ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าสัตว์โลกนี้เกิดความเดือดร้อนแล้วมีผัสสะบางหน้าย่อมกล่าวซึ่งโรคนั้นโดยความเป็นตัวตน ผัสสะบังหน้าใช้คำว่าผัสสะปะเรโต้นะมีผัสสะบังหน้าเข้าใจผิดในผัสสะนั่นเองนะความเข้าใจผิดในผัสสะหรือสัมผัสว่าเป็นตัวเราของเรานะเพราะฉะนั้นเวลามีโรคหรือมีความเสียดแทงเนี่ยนะมีความแปรเปลี่ยนมีความไม่เที่ยง เราก็คิดว่าเป็นตัวตนของเราเขาสำคัญสิ่งใดโดยความเป็นประการใดแต่สิ่งนั้นย่อมเป็นโดยประการอื่นจากที่เขาสำคัญนั้นมันจะไม่เป็นไปตามความสำคัญม่นหมายของเราแต Allah, ่มันจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเราไม่อยากให้ร่างกายมันเจ็บมันป่วยมันก็จะเจ็บมันก็จะป่วยตามเหตุปัจจัยของมันเราไม่อยากแก่มันก็จะเดินไปสู่ความแก่ตามเหตุปัจจัยของมัน เพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่เป็นไปตามความสำคัญมั่นหมายของเราสัตว์โลกติดข้องอยู่ในภพถูกพ บ, บังหน้าแล้วมีพบโดยความเป็นอย่างอื่นจึงได้เพลิดเพลินยิ่งนักในภพนั้นเราเนี่ยติดข้องอยู่ในภพติดข้องอยู่ในอารมณ์ ติดข้องอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขาร น, <c oughs> น, นี่เป็นพบนี่เป็นอารมณ์ของจิตวิญญาณหรือจิตหรือมโนที่เข้าไปรับรู้สัมผัสแล้วน่ะเราก็เพลิดเพลิอนอยู่ในอารมณ์นี้เวลาเรารับรู้อะไรขึ้นมาทางจิตแล้วเราก็จะเพลินต่อไปรู้เพลินรับรู้ใหม่กับเพลินไปรับรู้ปั๊บนี่พบเกิดวินาทีสองสสี่ต่อมาเรียกว่าชาติเกิดคือวิญญาณจเจริญงอกงามไพบุญในอารมณ์หรือในพบนั้น หรือเรียกว่าจิตมีสัญญาคจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยน้านแห่งความเพลินนะนี่เรียกว่าเพลินในภพถูกพบบางหน้าแล้วนะมีพบโดยความเป็นอย่างอื่นจึงได้เพลิดเพลินยิ่งนักในภพนั้นนะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยเพลินในภพนะทําให้เกิดชาติชรามรณนะรับรู้อารมณ์ใหม่พบใหม่ก็เพลินในภพต่อไปอีกเกิดชาติชรามรณนะ สัตว์โลกนี้ติดข้องอยู่ในภพเขาเพลิดเพลินยิ่งนักในสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นภัยเขากลัวต่อสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งที่เรากำลังเพลิดเพลินอยู่เนี่ยมันเป็นภัยเพราะมันกำลังเดินไปสู่ความดับโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเขากลัวต่อสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นทุกขนะ์นั้นเวลาเรากลัวอะไรเนี่ยนะนั่นแหละ เรากลัวในสิ่งที่เป็นทุกข์เพราะมันกำลังเดินไปสู่ทุกขังคือการแตกสลายพรหมจรรย์นี้อันบุคคลย่อมประพฤติเพื่อการละขาดซึ่งพบนั่นเองอันนี้ก็ชัดเจนเพราะฉะนั้นเวลาจิตรับรู้อารมณ์แล้วเนี่ ย, ยาไหลเพลินตามอารมณ์ไปเพราะพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติในธรรมวิ น, นัยนี้เป็นไปเพื่อการละขาดซึ่งพบมีพบปุ๊บนี่ทิ้งทันทีดับทันที นะอย่าให้มีพบเกิดขึ้นนะุทธตวัจนะพวกนี้จะค่อนข้างชัดเจนในเรื่องการละขาดซึ่งพบซึ่งอารมณ์ที่เราไปรับรู้อันนี้อีกสมณะหรือพรามทั้งหลายเหล่าใดกล่าวความหลุดพ้นจากพบว่ามีได้เพราะพบเรากล่าวว่า สมณะหรือพรามทั้งปวงนั้นมิใช่ผู้หลุดพ้นจากภพถ้าบอกว่า <c oughs> เราหลุดพ้นจากภพมีได้เพราะภพจิตรับลูอารมณ์แล้วบอกจะหลุดพ้นจากอารมณ์เพราะมีอารมณ์เป็นทันท่ที่มีไม่ได้เรากล่าวว่าสมณะหรือพรามทั้งปวงนั้นมิได้หลุดพ้นจากภพแสดงว่ายังไม่หลุดพ้นจากภพเพราะยังมีภพอยู่บอกจะหลุดพ้นจากภพแต่อาศัยภพ นี่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรายังรับรู้อารมณ์ยังมีการผูกกับอารมณ์แล้วเราบอกเราจะปล่อยวางอารมณ์ผู้เจ้าบอกเป็นไปไม่ได้รัศกรเหล่านี้ชัดเจนมากทําให้เรารู้ว่าจิตรับรู้อารมณ์แล้วเนี่ยหลักการยังไงก็ต้องรีบปล่อยรีบวางให้ไวที่สุดซึ่งจะสอดรับกับสัมมาสังกัปปสัมมาวายามะเสาเกืนีนเสาหลัก อีกหลายสิบพระสูตรมากที่เรารวบรวมไว้ในหนังสือถึงกว่า60พระสูตรถึงแม้สมณะหรือพรามทั้งหลายเหล่าใดกล่าวความออกไปได้จากพบว่ามีได้เพราะวิพบเรากล่าวว่าสมณะหรือพรามทั้งปวงนั้นก็ยังสลัดพบออกไปไม่ได้ อันนี้จะงงๆเล็กน้อยอันนี้จะลักษณะของการว่าคิดว่าทุกอย่างขาดศูนย์พบขาดศูนย์แต่จริงๆพบมีอยู่แต่มีขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะก็เหมือนกับสุดตรงของความเห็นว่ามีกับไม่มีวิภพนี่เป็นลักษณะของสุดตรงอีกข้างหนึ่งว่าไม่มีเลยทุกอย่างขาดศูนย์หมดแต่ไม่ใช่มันมีอยู่แต่มีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปนะอันนี้เป็นมุมมองที่พระพุทธเจ้าเรามองไม่เหมือนใครเลย ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ใช่มีไม่ใช่ไม่มีแต่มีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปนี่คือมัชชิมาปฏิปทาความเห็นที่เป็นทางสายกลางพุทธวจนะต่อไปก็ทุกนี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยซึ่งอุปัติทั้งปวงนะอุปัติเหตุเกิดมาจากตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานนะ คำอธิบายให้นิยามของอุปธิเนี่ยไม่มีโดยชัดเจนตรงๆแต่เราดูจากเหตุเกิดซึ่งเป็นเหตุเกิดอันเดียวกันก็คือตัณหานั่นก็คือเราสามารถประเมินได้ว่าอุปธิก็คืออุปทานนั่นเองพนะระองค์จึงบอกว่าความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ไม่มีก็เพราะความสิ้นไปแห่งอุปทานทั้งปวง นั้นก็ลักษณะเดียวกันใช้แทนกันได้ท่านจงดูโลกนี้เถิดสัตว์ทั้งหลายอันอวิชชาหนาแน่นบังหน้าอันอวิชชาหนาแน่นบังหน้าแล้วและว่าสัตว์ผู้ยินดีในพบอันเป็นแล้วนั้นย่อมไม่เป็นผู้หลุดพ้นไปจากพบได้ก็พบทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึง่ง อันเป็นไปในที่หรือในเวลาทั้งปวงเพื่อความมีแห่งประโยชน์โดยประการทั้งปวงพบทั้งหลายทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเมื่อบุคคลเห็นอยู่ซึ่งข้อนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้อยู่เขาย่อมละภาวะตัณหาได้ภาวะคือพบตัณหาคือความอยากเขาย่อมละความอยากในการแสแวงหาพบได้ และไม่เพลิดเพลินซึ่งวิภาวะตัณหาด้วยความดับเพราะความสำลอกไม่เหลือเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาโดยประการทั้งปวงนั่นคือนิพพานพบใหม่ย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นผู้ดับสนิทผู้ดับเย็นสนิทแล้วเพราะความไม่ยึดมั่นภิกษุนั้นเป็นผู้ครอบงามารได้แล้วมารคือความตายครอบงาความตายได้แล้ว ชนะสงครามแล้วก้าวล่วงพบทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วเป็นผู้คงที่ดังนี้นอะอสังคตธรรมคือความคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา